ท่านโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสูตรสันติอีกเช่นเคยเป็นประจําในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาจรมาภาพจะได้นําเสนอธรรมบรรญาการแด่ท่านสาธุชนเป็นประจําวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากข่าวที่แล้วที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยศยมังคโลได้ บันทึกเทปรายการพบผู้นำที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีเคเบิลทีวีช่อง15้าราชบุรีดำเนินรายการโดยคุณอภิชาตปปานปรีชาเจ้าของรายการและพิธีกรเนื้อหาสาระในตอนที่สองนี้จะเป็นหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีอุปการะคุณจึงขอเชิญท่านสาธุชน ผู้ฟังรายการทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมมาบรรยายในเรื่องพระคุณของแม่โดยพร้อมกันณบัดนี้ช่วงที่สองครับวันนี้พบผู้นำได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามอำเภอดำเนินสะดวกครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบผู้นำในวันนี้ครับพระเดชพระคุณครับเมื่อกี้พระเดชพระคุณพูดถึงพระคุณของแม่ในวันแม่แห่งชาติวันนี้ ลูกๆหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามและฟังตรงนี้คงจะทราบจึงคงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นลูกนั้นจะตอบแทนพระคุณของผู้เป็นแม่ยังไงครับต อ, อบคุณแม่ครับอเจริญสุขเจริญพรลูกๆทั้งหลายครับของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรากล่าวพระคุณของแม่มีอุปการะคุณอย่างมากอย่างใหญ่หลวงต่อลูกอย่างนี้แล้วลูกควรจะ แสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรมคือระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอและคิดตอบแทนท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีกำลังทำได้จงทัการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นั้นก็มีการกระทำตอบแทนพระคุณในสองระดับระดับที่1ในระดับโลภยธรรม หมายความว่าเป็นคุณความดีในระดับโลกโลกเมื่อได้กระทาไปแล้วย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนเรียกว่าเป็นสริมมงคลแก่ตนเองนั่ น, น, นเ อ, สองสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้านั้นได้ทรงจัดพ่อแม่ไว้ในฐานะทิศเบื้องหน้าซึ่งให้ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงเพราะฉะนั้น ลูกๆเมื่อรู้อุปการะคุณของพ่อแม่มีมากอย่างนี้ก็พึงตอบแทนท่านอย่างน้อยในห้าประการต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราพึงเลี้ยงตอบท่านการเลี้ยงตอบท่านนีนับตั้งแต่ว่าเมื่อเรามีกาลังทรัพย์กำลังกายสติปัญญาความสามารถอ่อเพียงไรเราก็คิดตอบแทนท่าน การตอบแทนโดยการเลี้ยงตอบท่านนั้นได้แก่การตอบแทนท่านบูชาคุณท่านด้วยปัจจัยสี่ซึ่งเราท่านทั้งหลายขงจาาดีหมายถึงอาหารอาหารอะไรดีๆนึกถึงพ่อแม่เอาไปส่งไปให้พ่อแม่ท่านได้รับทานท่านจะชื่นใจที่สุดเลยในเมื่อท่านได้รับสิ่งที่ลูกนามาให้แม้แต่ลูกเล็กๆ เ, เนี่ยาบางทาีได้ขนมอะไรดีๆมาแล้วยังมาให้แม่เนี่ยแม่ชื่นใจที่สุด อันนี้ให้สังเกตดูบางทีพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเลยแต่ว่าด้วยน้ําใจของลูกที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะพ่อแม่ชื่นใจที่สุดนอกจากนั้นก็มีเสื้อผ้าเครื่องลุ่กผมทั้งหลายหรือเครื่องชอบใจทั้งหลายที่พ่อแม่ชอบเราก็เอามาให้ตลอดทั้งความสะดวกทั้งหลายเช่นว่าบางทีพ่อแม่อยากจะไปวัดไปวาอย่างนี้ลูกก็พึงตอบแทนท่านโดยประการหนึ่งช่วยขับรถไปส่งหรือนําไปส่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ ลูกพึงตอบแทนพ่อแม่ด้วยปัดใจศีลมีอาหารเครื่องหนุ่งพรมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโรคดูแลท่านเหมือนกับท่านที่เคยดูแลเรานั่นแหละจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่าให้เป็นคล้ายกับว่าแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้สบายสบายไม่ว่าอยากดีมีจนเลี้ยงลูกได้เสมอแต่ถึงคราวลูกโตใหญ่ลูกหลายคนเลี้ยงแม่ไม่ได้นี่ขออย่าให้เป็นอย่างนั้น อันนี้ให้นึกถึงหัวอกของแม่ให้ดีที่สุดประการที่สองช่วยทำกิจการงานของท่านด้วยดีเหมือนอย่างลูกบางคนนะบางทีพ่อแม่จะเรียกใช้สอยบ้างนี่รีกเกลี้ยงไม่พอใจหรือไม่ก็ไม่มีน้าใจต่อพ่อแม่ร้อยให้แม่นั้นทำงานคลุกๆอยู่โดยลูกนั้นที่เกียดแล้วก็ไม่นําพา อย่างนี้แสดงว่าลูกไม่นึกถึงพระคุณของพ่อแม่และโดยเฉพาะแม่เนี่ยลาบากเพราะลูกมามากทําไมลูกจะตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าลูกที่ดีนั้นพึงจะต้องตอบแทนช่วยเหลือท่านทุกอย่างท่านแก่แล้วมีอะไรเราช่วยท่านนี่เรียกว่าช่วยทําจิตของท่านเหมือนอย่างเมื่อกีออ้หลวงพ่อได้บอกว่าบางครั้งพ่อแม่อยากจะไปวัดไปวาลูกมีรถมีราก็ควรจะไปส่งท่านบ้างไม่ใช่ไปหาความจุกส่วนตัว อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าช่วยทำปิติของท่านประการที่สาลูกคึงดํารงวงศ์สกุลของท่านให้ดีอย่าเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียวงศ์สกุลของท่านควรจะดํารงวงศ์สกุลของท่านด้วยดีประการที่สี่ควรจะกระทําตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่จะควรได้รับมรดกจากท่านบางคนสำลเีเทเมา ติดอยู่ในอบายบุกเป็นนักเลงการพ น, นันนักเลงผู้ยิ่งนักเลงจุราญาติสิทธทั้งหลายอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ให้มรดกไปก็แย่แล้วแล้วก็เสียหายทั้งทั้งที่พ่อแม่อุตส่าห์เก็บงําไว้ให้ตนสร้างไว้ให้แก่ตนแต่ลูกทําลายเสียมีเรียกว่าลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ลูกจะพึงกระทําให้พ่อแม่เนี่ยชื่นใจคือว่ากระทําตนให้สมกับเป็นบุคคลที่จะพึงได้รับทรัพย์สมบัติหรือเป็นทายาทของท่าน และประการที่ห้าที่เราต้องไม่ลืมนะก็คือว่าเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วพึงทําบุญอุทิศให้ท่านตรงนี้อาตมาจะเชื่อเห็นนิดหน่อยบางคนนี่ในขณะพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่คิดที่จะต่อแทนคุณท่านหลงสนุกหลงสบายไปแต่ส่วนตนครั้นพ่อแม่สิ้นชีวิตไปแล้วตอนนี้แหละถึงจะนึกได้ว่าอ๋อเราสูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไปแล้วมาทําบุญอุทิศให้ท่านในภายหลังอย่างนี้ ก็ดีอยู่แต่ยังไม่ดีแท้ดีแท้ต้องตอบแทนคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่แล้วแม้ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ตอบแทนคุณท่านเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าลูกควรจะตอบแทนคุณท่านด้วยอาการอย่างนี้ห้าประการนี้ในระดับโลกียธรรมแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยตอบแทนคุณท่านในระดับโลกียธรรมนั้นท่านได้รับความสุขเพียงชาตนี้ชาตเดียว เพราะฉะนั้นถ้าจะนับอุปการะคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างที่งแม่นี่แหละแม้จะคลอดลูกบางทีตายเป็นไม่รู้ด้วยนะเอะเพราะฉะนั้นพระคุณของท่านนเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต เ, เราเป็นตัวเป็นต้นมาก็เพราะแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณพ่อแม่เพียงด้วยระดับโลภะธรรมยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่อันนี้นะท่านเปรียบอย่างไรท่านเปรียบไว้ว่าอย่างนี้เอพระสริมังคลาจารเอได้ สแสดงอักถาอธิบายขยายความพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ท่านได้สแสดงยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าลูกที่กตัทำอยู่ต่อพ่อแม่จะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีที่สุดตลอดชีวิตเช่นว่าเอาแม่วางไว้บ่าขวาเอาพ่อวางไว้บ่าซ้ายเลี้ยงดูท่านอย่างดีไม่รังเกียจแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถก็ไม่รังเกียจเลี้ยงดูท่านอย่างดีนี่อุปมาอุปไม้นะ แม้ถึงเพียงนี้จนตลอดชีวิตนั้นก็ไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่และหรือแม้ว่าลูกน่ยจะมีอํานาจสิิขาดสามารถที่จะสถาปนาพ่อเป็นพระมหาจักรพรรดิสถาปนาแม่เป็นพระอครมเหสีแม้นั้นให้ท่านมีความสุขสบายตลอดชีวิตก็ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะท่านมีความสุขเพียงแค่มิจฉาเดียวและถ้าว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิจี คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดทํานองคลองทำแล้วผลจากกรรมที่ไม่ดีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนแต่กายทําลายขันคือตายจะเป็นชนกกรรมนําท่านไปสู่ทุกขติภูมิไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมและญาติโยมสาธุชนอย่านึกว่านรกสวรรค์ไม่มีนะมีเป็นพระพุทธดํารัสไม่ต้องสงสัย แต่ว่ามีอย่างไรค่อยคุยกันวันหลังแต่วันนี้เอาง่ายๆก่อนว่าระวังว่าการกระทําผิดต่อพ่อแม่มีโทษมากนะแต่ว่าะจะ ก, กล่าวจำพาะในส่วนของอพระคุณของพ่อแม่ในข้อนี้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ให้คุ้มพระคุณของพ่อแม่นั้นท่านว่าจงตอบแทนด้วยโลุตตรธรรมคือว่าพ่อแม่ ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยคือในคุณพระพุทธประทามประโตกลูกหญิงลูกชายใดนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้กลับมามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากดีอยู่แล้วให้เจริญและแก่กล้าและให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้จึงจะคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เหตุเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธา ต่อพระรัตนตรัยนั้นย่อมจะไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงท่านก็จะคิดผิดเห็นผิดรู้ผิดพูดผิดทําผิดแต่เมื่อท่านกลับมาศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วท่านจะรู้เมื่อรู้แล้วท่านก็จะเลิกละทางไม่ดีและความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมปฏิบัติอยู่ในหนทางที่ดีและดําเนินชีวิตไปในทางถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงและถึงบรมสุขได้อย่างนี้ก็จะเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่จะเป็นพอดครับครับอพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ฟังมาตรงนี้คือพระคุณของแม่แล้วก็ลูกมีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนพระคุณของแม่ในภาวะเศรศษฐกิจปัจจุบันมีข่าวที่ปรากฏบ่อยๆว่าลูกนั้นประพึดผิดในพ่อแม่ตรงนี้คงจะต้องขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พูดถึงโทษถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกที่นอกจากจะ ไม่ตอบแทนต่อคุณพ่อแม่แล้วยังประพิตผิดล่วงละเมิดในพ่อแม่กับไประตดคุณครับโอ้ขอบคุณมากเรื่องการล่วงเกินพ่อแม่นี่โทษหนักกว่าธรรมดาครับโทษตามกฎหมายนะล่วงเกินจะเป็นทุบตีก็ดีหรือฆ่าก็าดีมีโทษหนักกว่าการกระทําโดยทั่วไปแต่โทษตามกฎแห่งกรรมนั้นมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพู่ที่กระทําถึงุกฆาามาถูกฆ่าคือฆ่า มารดาบิดามารดานั้นแต่กายทำลายขันไปแล้วได้รับโทษหนักเป็นอนัอนตารีกรม ค, คือจะต้องได้รับโทษก่อดหมายความว่าต้องไปเกิดในทุกติภูมิคือเป็นจักวนรกในอเวจีมหานรกและถ้าเบาออกมาหน่อยก็อาจจะใกล้เคียงกันนั้นเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยกระทำปิตุฆาตฆ่าพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ภายหลังกลับเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว เมื่อตายลงก็ไปเกิดในโลหคะคุ้มีเจริญก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะต้องตระหนักนะครับว่าการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นมีพระคุณต่อเรานั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือการตอบแทนนอกจากไม่ตอบแทนบางคนที่ประพฤติ ผ, ผิดในพ่อแม่ผู้มีพระคุณ น, นั้นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกพวกเรานะครับว่ามีโทษมหาหันทีเดียวเป็นอนันตริยกรรมด้วยบางครั้งที่กระทําลงไปครับคงจะถึงช่วงสุดท้ายครับหลวงพ่อครับอยากจะให้หลวงพ่อฝาก สิ่งที่เป็นมงคลกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลของชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับพระสวัสดิวันเฉลิมศพลสำหรับเอประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเสมือนลูกๆของพระแม่ของชาติคือพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นที่จะกระทําตอบแทนพระคุณท่านหรือพระมหาชนนาที่คุณของพระองค์ท่าน ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติท่านจะได้เบาใจพระองค์ท่านจะได้เบาใจเท่านี้พระองค์ก็ชื่นใจแล้วนี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับที่จะตอบแทนพระคุณหรือพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระ บ, บรมราชินีนาถส่วนพ่อแม่นั้นอะไรที่ท่านชื่นใจจงทําอะไรที่ดีจงทําอะไรที่ไม่ดีอย่าทําอะไรที่ล่วงล้ากัําเกินท่านก็จงอย่าทําและ ลูกๆใดที่ยังไม่เคยกราบพ่อแม่เมื่อรู้พระคุณของพ่อแม่กลับไปกราบพ่อแม่ซะดูซิว่าท่านจะมีปฏิกริยาอย่างไรอาจจะมาเคยประสบพบเห็นนะพู้ที่ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ลูกๆเนี่ยบางทีไหว้พ่อแม่ก็ไม่เป็นกราบพ่อแม่ไม่เป็นลองไปกราบสักทีว่าเดี๋ยวนี้ลูกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วรู้แล้วจะไม่ดื้อดึงต่อพ่อแม่แล้วไปกราบที่ศักของท่านเท่านี้แหละท่านจะปลื้มปีติจนอาจจะถึงน้ำตาไหลแล้วก็รักลูก แล้วก็ยืดอกยืดใจเป็นการยืดอายุพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผู้เคยมีความทุกข์ยากเพราะเรามาตลดอดชีวิตเจริ่มถอนครับตรงนี้ผมคงไม่ต้องสรบอะไรมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาที่จะนําธรรมะแล้วก็มาอธิบายถึงความาพระคุณของแม่เนื่องในวันมงคลในวันนี้วันที่สิสองสิงหาฉเฉลิมพระชนมพรรษาขอ ง, ององค์สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั บ, บร ผมคงจะต้องขอบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้วคงจะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเสมือนน้ําทิพย์ถลมใจให้กับแม่ได้นอกจากการที่ได้รับทราบข่าวว่าลูกนั้นประสบความสําเร็จมีหน้ามีตามีความสุขครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับคงจะไม่มีความทุกข์ใจอะไรที่แม่จะได้รับมากกว่าความทุกข์ที่ได้รับทราบว่าลูกนั้นมีความทุกข์ยากลําบากและรับความเดือดร้อนครับวันนี้รายการพบผู้นําต้องขอกราบพระเดชพระคุณประเดชพระคุณ พระเคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชทยมังคโลครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบปุณนนำวันนี้ครับกอกับเริเผยคุณครับเิญุขเิญพรครับอูชาจะอูชยานังเอตมังคลมุตตะมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด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 พระพุทธชัยมงคลที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่สองว่าด้วยเรื่อง หน้าที่ของกุระบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความให้แก่สาธุชนได้รับฟังเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วและในช่วงท้ายของการสนทนานั้นพระเดชพระคุณยังได้กล่าวถึงโทษของการที่กุระบุตรกุลธิดาประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งพระเออหลวงพ่อก็ได้ยก ในเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ประพฤติผิดในพระราชบิดาคือพระเจ้าพิ ม, พ, ม, พ, ม, พ, มพิสารได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเป็นปิตุขาตซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและก็ได้เสวยทุกข์ในโลหะกุมพีดังที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังแล้วและยังมีมาตัวอย่างที่มีมาในชาดกคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องของการประพฤติผิดในมารดาเช่นกันวันนี้อาตมาจะขอนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเสริมตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่หลวงพ่อได้ยกมาแล้วหนึ่งตัวอย่างของการประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งเรื่องมาในอัตตกถาจะตุทธวาระชาดกทัสกนิบาศความโดยย่อมีดังนี้ดังได้สดับมา ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทศพลบุตรของเศรษฐีมีสมบัติแปสบโกธในกรุงพาราณสีได้มีชื่อว่านายมิ ต, ตะวินทุกะซึ่งเป็นคนทุศีลเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหลังจากบิดาของเขาล่วงไปแล้วก็อยู่กับมารดา ส่วนมารดาของเขานั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติในพระศาสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงมาคิดว่าบุตรของเรานั้นเป็นผู้ทุศีลไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสในพระศาสนาใจเลยไม่รู้จักพระจักเจ้าเสเลยเราจะทํายังไงดีทรัพย์ของเรามากมายนี้จึงจะดํารงอยู่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้บุตรก็คงจะ เอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ไปล้างผานสมดตนางจึงออกอุบายด้วยความเป็นผู้ฉลาดในกุศโลบายคือวันหนึ่งมารดาของมิตรวินทุกกะนั้นได้พูดกับลูกรักของตัวเองว่าพ่อจงไปรักษาศีลจงไปฟังธรรมที่วัดที่สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่แล้ว จึงกลับมาพอกลับมาแล้วมันหรือแม่จะให้ทรัพย์เจ้าพันหนึ่งด้วยความปรารถนาในทรัพย์นายมิตรวินทุกะจึงรับปากที่จะไปวัดนะพอถึงวันอุโบสถก็ไปวัดแม่ก็มีความดีอกดีใจที่ลูกจะไปฟังธรรมไปรักษาศีลอุโบสถกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่หารู้ไม่ว่านายมิตรวินทุกานั้นพอไปถึงวัดแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้ไปรักษาศีลดังความตั้งใจของมารดาเลยแต่กลับไปนอนหลบมุมอยู่อีกข้างวิหารแห่งหนึ่งพอผ่านวันผ่านคืนของวันพระวันธรรมัสวรรไปแล้วก็กลับมาพอกลับมามาถึงบ้านแม่ก็เห็นบุลูกมาตั้งแต่ไกลก็นึกดีใจว่าเออลูกชายของเรามาแล้ว ได้เตรียมข้าวปลาอาหารและก็เตรียมของที่จะใส่บาตรให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพราะปะกตินั้นผู้ที่ไปรักษาศีลที่วัดธรรมเนียมในสมัยนั้นก็จะนิมนต์พระธรรมกถึกหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นๆมาที่บ้านเพื่อมารับพัตตาหารด้วยนางผู้เป็นมารดานั้นก็เตรียมข้าวของไว้พอมาถึงลูกก็ทวงถามเลยว่า ทรัพย์พันหนึ่งของผมอยู่ไหนนะเอามาซะดีๆส่วนมารดาก็บอกว่าเออใจเย็นๆ เ, เดี๋ยววันนี้ต้องได้แน่ๆ แ, แต่ให้ดื่มน้ำดื่มฉันข้าวหรือรับประทานอาหารซะก่อนนะก็ไม่ยอมจะเอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวจนมารดาต้องเอาทรัพย์มาให้และก็ถามถึงพระเถระนะก็ไม่มีเพราะว่าแกไม่ได้นิมนต์พระมาะด้วยเพราะไปนอนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็พอเช้ารุ่งขึ้นได้อรุณก็กลับเข้าบ้านเพื่อต้องการทรัพย์ของมารดาเท่านั้นเองแล้วแกก็นําทรัพย์พันหนึ่งนั้นไปประกอบอาชีพได้ทรัพย์มามากพอสมควรจึงบอกกับมารดาว่าจะไปล่องเรือจะไปค้าขายทางเรือละนะมารดานั้นก็ห้ามว่าอย่าไปเลยนะการค้าขายทางเรือนั้นมัน มีอันตรายมากนะทรัพย์ของเราก็มีอยู่พอสมควรแล้วล่ะเจ้าบริหารอยู่ทางนี้ก็คงจะนะพออยู่พอกินอยู่ล็อกคงไม่ถึงต้องไปค้าขายทางเรือก็ไม่ฟังนะแล้วก็ดันทุรังที่จะไปไม่เชื่อฟังมารดาบิดามารดาบิดาก็จับที่ข้อมือดึงไว้นะด้วยความรักบุตรก็สลัดมือออกจากมารดาแล้วก็ทุบตีมารดาแล้วก็ ลงเรือไปค้าขายกับชาวเรืออีกจำนวนหนึ่งนี้คือการทำความผิดในมารดาบิดาของนายมิตาวินตุกะเพียงแค่เท่านี้นะทีนี้ผลจะเป็นอย่างไรอาตมาจะขอนำมาสู่ท่านสาธุชนหลังจากเรือนั้นได้แล่นไปสู่กลางมหาสมุทรนะเพื่อทำการค้าขายพอไปได้ถึงเจ็ดวัน เรือนั้นเกิดหยุดในท่ามกลางมหาสมุทรในสมัยนั้นถ้าเกิดเรือแล่นไปโดยปกติแล้วเกิดหยุดในกลางทะเลอย่างนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมว่าในเรือลํานั้นจะต้องมีคนกาลากินีอยู่แน่นอนคนเคยประพฤติผิดสักสิ่งสักอย่างหนึ่งแล้วลงเรือมาเขาก็เลยจับสลากจับตลากหาคนกาลากินีพอจับสลากไปคนในเรือทั้งหมดสลากกาลากินีนั้นก็ไปตกอยู่กับนายมิตรวินทุกัต ถึงสามครั้งน่ชาวเรือทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าคนทั้งหมดอย่าได้วิบัติผิดหายไปเพราะนายมิตรวินทุกกะคนเดียวนี้เลยเราช่วยกันจับเขาโยนลงกลางทะเลแล้วค่อยไปค้าขายต่อกันเถอะมีมติกันเป็นเช่นนั้นก็เลยจับนายมิตรวินทุกกะนั้นใส่แพรน้อยให้ล่องไปตามยะถากรรมแล้วก็พอทำอย่างนั้นแล้วเรือก็แล่นไปสู่มหาสมุทรสู่ ที่จะไปค้าขายได้โดยสะดวกกล่าวถึงนายมิตรวินทุ ก, กะหลังจากที่โดนลอยแพแล้วก็ไปตามยถากรรมได้ไปพบเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนั้นก็เป็นเกาะที่ปรากฏแก่นายมิตรวินทุ ก, กะนั้นเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งนะเป็นเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่ง ปรากฏว่าสวยงามมีกำแพงลายล้อมมีประตูเมืองมีอะไรอุดมสมบูรณ์มากมายแกก็เลยขึ้นไปยังเกาะนั้นคิดว่าวันนี้แหละเราจะขึ้นไปเป็นพระราชาในเกาะนี้แต่หารู้ไม่ว่าเกาะนั้นเป็นอุดทศนรกอ่อุสะทะนรกคือเป็นนรกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏ แกนายมิตธะวินทุกะนั้นเป็นเหมือนเมืองที่ประดับประดาตกแต่งสวยงามไว้แล้วแกก็ขึ้นไปในเมือง น, นั้นเดินไปเดินไปก็ไปพบบุรุษคนหนึ่งที่โดนธันตกรรมอยู่บุรุษนั้นก็คือสัตว์นรกแต่ปรากฏแก่นายมิตธะวินทุกะนั้นเป็นเหมือนบุรุษคนหนึ่งประดับประดาด้วยเครื่องประดับอลังการสวยงามยืนอยู่แล้วมีเสร้ ด, ดอกบัวประดับอยู่บนศรีรษะมีสร้อยสังวานคล้องอยู่สวยงาม นั่นปรากฏแก่นายมิตรวินทุกกะแกก็เลยเข้าไปถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านได้ประดับเครื่องอลังการอันสวยงามเหลือเกินท่านคงประดับมานานแล้วขอให้ผมไปได้ประดับบ้างเถอะนะสัตว์ในโกนั้นก็ตอบนายมิตรวินตุกกะว่านี่ไม่ใช่เครื่องประดับนี่เป็นเครื่องธันตกรรมที่เห็นเสื้อยู่บนหัวของเรานั้นไม่ใช่เสื้อ ด, ดอกบัวนั่นคือจักรกรดที่กําลังบดขยี้ศีรษะของเราอยู่เลือดไหลเป็นทางอยู่อย่างนี้ ท่านไม่เห็นหรือน้ า, นามิตฐะวินทุกกะก็บอกว่าท่านยาพูดอย่างนั้นเลยท่านได้ประดับสวยงามมีสร้อยสังวานอยู่ตรงอกและก็มีจันแดงทาตัวไปหมดแล้วก็มีเครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงามสัตว์นรกได้ฟังนั้นนั้นก็นึกว่าเออนี่คนที่ได้ประพฤติผิดในมารดาบิดาได้มาถึงแล้วน้าแสดงว่าเราจะพ้นจากเวรตรงนี้แล้วเราสวยเวรมาสวยทุก ทรมานมานานพอสมควรแล้วจะพ้นจากเวรแล้วสัตผู้ทํากรรมบัตช้าต่อมารดาบิดาจะมาชดใช้แล้วแกก็เลยยกเซิร์ตที่ประดับเป็นจักรกรดนั้นครอบให้แก่นายมิตรตวินทุกะพอเซิร์ตนั้นครอบนายมิตรตวินทุกะแล้วก็รู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่เซิร์ดอกบัวแล้วแต่เป็นจักรกรดและเครื่องจองจํานะเครื่องจองจําที่เป็นเครื่องทันระ ธนกรรมที่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานที่ประพฤติผิดในมารดาบิดานี้เป็นกฎแห่งกรรมและมีมาอยู่ในชาดกที่นายมิตรวิทุกะประพฤติผิดในมารดาแล้วมาเสวยวิบากรรมในนรกแห่งนี้ที่เป็นนรกจากกฎปั่นหรือว่าบทขยี้ศีรษะให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปได้รับความทุกข์ทรมานมากมาย ด้วยการประพฤติผิดในมารดาบิดาเพียงแค่เท่านั้นญาติโยมสาธุชนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะนึกว่าแล้วบุคคลหรือว่าคนที่ประพฤติผิดในมารดาบิดาอยู่ในขณะนี้จะเป็นเช่นไรเพราะว่าตามื่อต่างๆนั้นก็มีข่าวคราวดังที่ญาติโยมได้เห็นอยู่แล้วนั่นคือกรรมอันบาปช้ากรรมอันลามกเลยทีเดียวสาหรับ ตัวอย่างที่ยกมาให้สาธุชนได้รับฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องมีมาในชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้และสาธุชนผู้ฟังรายการธรรมะสุสันติก็คงจะได้สารธรรมจากรายการธรรมะสุสันติบ้างไม่มากก็ น, น้อยสาหรับวันนี้อาตม า, าพาดในนามของพงะสงฆ์วัดหลวงพระสฎธรรมกายรามคณะผู้จัดทารายการธรรมสู่สันติ